พอหมายพวว่ารสุขเราก็เสกถ้าหากว่ามันท ok nee ุกเราก็ไม่เอามัน <d> ก <ynam ic> ็จะไปอย่างนี้ตลอดแต่พอในวิธีการท่องเพียนสุขเราก็ไม่เสกแก้เอาสุไปทุกเราก็ไม่หนีสู้เอาแปรมาวิธีนี้มะสํำหรับเราก็เลยทำวิธีนี้ต่อมานี้คือประโยชน์ของกรมิตรทำให้เราเกิดปัญญาคิประการสามประการคือหนึ่งได้ยินได้ฟังสองเข้าใจได้สเอาไปทำถูกกับ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 ถ้าหลักสองประการนี้มีแล้วยังถูกหลอกอีกถือว่าวิบากของคุณก็แล้วกันยังถูกโต้ม อ, อีกเนี่ยถือว่าเป็นวิบากตามวุคุณสร้างมาไม่ดีก็แล้วกันนะ เ, ออเราเลือกแล้วอันนี้ยังเลือกผิดอีกฟังแล้วยังไม่เข้าใจอีกเขาก็เราก็ฟังไม่ออกเขาพูดถูกหรือพูดผิดถูกใช่ไ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 พิจารณาสอบสวนตรวจสอบใช่ไหมในสิ่งที่เราทำเนี่ยเคยตรวจสอบการทําของตัวเองไหมที่เราพูดไปเคยตรวจสอบไหมว่าใช่หรือไม่ใช่ที่เราคิดไปเคยตรวจสอบมันไหมว่าถูกหรือไม่ถูกเคยไหมถ้าเคยแสดงว่ามีผ่าน3ประการนี้มาแล้วผ่านกริริยานิมิตมาแล้วผ่านาการได้ยินได้ฟังผ่า น, านภาวนา ม, มาบ้างแล้วผ่านกัน